เราต้องคนที่ข้ามกังขาวิจารณาวิสุทธิได้จริงๆเนี่ยคือคนคิดคิดพิจารณามากจะใช้คําว่าคิดมากก็ไม่ก็ภาษานี้เขาศัพท์นี้ไม่เพราะแต่ว่าจริงๆก็แปลว่าคนคิดมากก็ไม่ผิดะคือคนที่พิจารณามากไครครวนมากโดยเฉพาะไคร่ครวนอดีตไครครวนอนาคตเขาไม่ได้แช่อยู่กับปัจจุบันอะไรหรอกนะเขารู้เลยว่าอาดีตคือทิ่มัเป็นอย่างไร เขาพูดแเจ้าเนี่ยสอนเรื่องอดีตไม่ใช่น้อยอะไรน้าตาของเธอที่ท่องไปในวัด ต, ตะน้ําตามากกว่าน้ําทะเลก็แปลว่าพิจารณาอดีตนะแล้วน้ําตาของ เ, อเลือดของเธอที่เสียไปก็มากกว่าน้ําทะเลในอดีตน้ํานมที่เธอดื่มกินก็มากกว่าน้ําทะเลหรืออีกบางส่วนถ้าบางคิดบางใหนบอกเหงื่อเสียงเหงื่อในอดีตเนี่ยก็มากกว่า น้ำทะเลเนี่ยนะเหนือที่ออกมาเค็มๆฉันใดน้ํำทะเลที่รวมๆก็เค็มฉันนั้นเขาเขาบอกอกไม่เค็มบอกมันขมเลยมันเค็มมากเลยจนขมเลยงั้นถามว่าแล้วอนาคตอ่ะอีกบางแห่งพวกบอกว่าเธอถ้าเธอไปเห็นคนพิการนะเธอใส่ใจได้เลยว่าอดีตเธอก็เคยเป็นมาแล้วแตนะเธอเห็นคนในสภาพไหนก็เธอใส่ใจได้ว่าอดีตอันยาวนานเธอเคยเป็นเช่นนั้นมาแล้วควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายควรแล้วที่จะ คลายกำหนักบางสูตรพระองค์บอกว่าภัยที่จะมีต่อไปในอนาคตเคลวะภัยที่จะมีต่อไปในอนาคตนะฮัลันอนาคตต่อไปนี่ควรเป็นอย่างไรเคลว่าให้พิจารณาเนี่ยนะ อ, อในสังเวกวาวัตถุพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาวัตทุกขเป็นมูลในอดีตวัตทุกขเป็นมูลที่จะมีต่อไปในอนาคตทุกในการแสวงหาอาหารใน ปัจจุบันเนี่ยนะอันนี้เป็นอาหารแห่งความเพียรชั้นใดผู้ที่จะอบรมปัญญาเพื่อข้ามความสงสัยในอดีตอนาคตนั้นอ่ะจะต้องเป็นคนที่ใครโคลนทั้งอดีตอนาคตในที่สุดเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วจึงมุ่งปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดเนี่ยนะเมื่อปฏิบัติมากๆเข้าปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกําหนัดเกิดวิปัสสนูปกิเลส ข, ขึ้นอ่ะนะ อนุภาพของปัญญาเนี่ยทําให้เกิดแสงสว่างเกิดยานเกิดความรู้เกิดปีติปสัสสติเกิดความ อ, อธิโมกเกิดปคหะอุปทานอุเบขานิกันติคนที่พิจารณาอย่างที่หอนมาพูดไปเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เขาเครียดนะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของคนคนนั้นนะของคนคนนั้นเลยคนที่พิจารณาอย่างนี้มากที่สุดคือคนที่มีความสุขที่สุดสําหรับชีวิตของคนนั้นไม่ไมต้องเอาไปเปรียบ ก, กับคนอื่นนะเฉพาะคนนั้นเนี่ย เมื่อก่อนไม่เคยพิจารณาไม่เคยมีความสุขอย่างนี้เลยแต่ถ้าพิจารณาแล้วยิ่งมีความสุขพผลของการพิจารณาเท่าไรก็ได้รับความสุขไอโอพาดความสว่างสวัยก็เกิดขึ้นญาณะก็เกิดขึ้นปีติเอื้อิ่นใจก็ยิ่งขึ้นสงบยิ่งขึ้นมีแต่ความสงบนะพวกนี้ไม่กวนกวายนะนะพวกนี้ไม่กวนกวายมีแต่น้อมใจเชื่อในคุณของพระัตนะตรายยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปเพียรมากกว่าเก่า ชีวิตนี้ไม่ประมาทเลยแล้วก็อธิอาทุปทานะคือการตั้งมั่นแล้วก็กวางเฉยมากกว่าเก่าเนี่ยนะถ้าเราดูให้ดีเนี่ยนะโอภาสโอภาสก็คือเนี่อนุภาพของปัญญายาน น, นะอธิมโมกตกหาอุปทานถ้าดูจริงๆอนะ่ะในนี้ก็คืออินรีห้านั่นเอง คือคือเมื่อเจริญเจริญไปเนี่ยบางคนนี่อินทรีย์แต่ละตัวมันมีกําลังมากเช่นบางบางคนเนี่ยอธิมโมกมีกําลังก็แปลว่าสัตว์ทิ้นซีเขามีกําลังมากเจริญไปแล้วสัตว์ทิ้นซีมีกําลังแต่ที่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสเพราะบางคนเข้าใจว่าสัตว์ผาตัวนั้นคือมรรคผลอันนัะเข้าใจผิดเท่านั้นเองแต่ว่าอาธิมโมกไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเป็นสิ่งที่ดีแต่คนเข้าใจผิดคิดว่านั่นเป็นมรรคผลเท่านั้นเอง อันนี้อธิมโมกก็คือศรัท ธ, ธามีกําลังยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปปัจขะหาก็คือวิริยะเนี่ยนะวิริยะมีกําลังขึ้นวิริยินรีวิริยะพระมีกําลังขึ้นอุปทานะตั้งมั่นก็คือสติสติสตสตอุปทานะสติมีกําลังมากไม่ฟั่นเฟือนไม่เบลไม่ไม่เผลอเร่อเนี่ยนะส่วนอุเบกขาเนี่ยนะนี่อันอุเบกขาความวางเฉยอันนี้ก็คือด้วยปัญญาด้วยอนุภาพของปัญญาก็สาย ด้วยอนุภาพของสมาธิด้วยอย่างหนึ่งแล้วก็ข้อสี่เนี่ยนะปัตสัตทิปัตสัทธินั้นก็เป็นชื่อของเกี่ยวกับสมาธินั่นแหละเป็นผลพวงของการเจริญสมาธิปีติก็อยู่ในสายของสมาธิแต่ถ้ามองในแง่ของโพชฌงก็จะเห็นวา่ามีเจ็ดใช่ไหมมีอะไรบ้างหนึ่งสติสามโพชฌงก็อุปทานะมีกําลังสองธรรมวิจยะสัมโพชฌงก็คือญาณนะข้อสองสามวิริยะสามโพชฌงก็คือตัคขหะสี่ ปีติปีติปัดสัมโพชงก็คือข้อสามนปีติแล้วก็ปัดสัตทิสัมโพชงสุขเป็นเหตุใกล้ต่อสมาธิก็คือเนี่ยสุขสมาธิสัมโพชงแล้วก็ต่อไปอุเบกขาสัมโพชงก็คือโพอชงเนี่ยมันมีองค์ใดองค์หนึ่งที่ปกติมันต้องครบเจ็ใช่ไัมจริงจะตรัสรู้แต่นี้มัสําคัญองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยพิเศษเข้าใจแต่และองค์ว่าเป็นมรรคผลเท่านั้นแหละที่ไม่ดีไม่ดีอยู่ข้อเดียวคือข้ อ, ขอสิบตัวนั้นเป็นชื่อของตัณหา ส่วนข้อหนึ่งถึงข้อเก้านี้เป็นเรื่องที่ดีแต่แต่ที่ที่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสแปล ว, ว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองเพราะเกิดคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นมาก็เลยอุ้ยบรรลุแล้วบรรลุแล้วแค่นั้นแหละมันก็เลยพอคิดว่าไม่ถึงแล้วสําคัญว่าถึงคืออะไรนะนึกว่าตัวยังไม่ถึงที่ปลอดภัยแล้ะสําคัญว่าถตัวเองถึงที่ปลอดภัยแล้วก็เลยสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นเลยไม่เป็นไรละมันปลอดภัยที่สุดแล้วก็เลย ไม่ได้ถึงแดนเกษมที่แท้จริงเนี่ยนะหลันสรุปว่าวิปัสสนูปกรณ์เก้าข้อแรกเนี่ยนะเข้าโพชงเข้าองค์มรรคทั้งนั้นแหละแต่ละอย่างแต่ว่าถ้ามันประชุมทั้งเก้าข้อได้เมื่อไหรนะ่นั้นบรรลุเลยอันนี้บรรลุจริงถ้าประชุมครบเก้าข้อจริงนะบรรลุจริงคนที่เจริญวิปสัสสมัธวิปัสสนาระดับสูงโดยเฉพาะวิปัสนาระดับนี้เนี่ยนะ สิ่งที่พึงอันตรายหน่อยก็คือเมื่อปัญญาเกิดขึ้นระดับหนึ่งตีติปัสสัตที่ความสงบเกิดขึ้นระดับหนึ่งแล้วมันคล้ายๆว่ามันสบายแล้วนี่เรสบายแล้วนี่ก็ไม่รู้จะทําต่อไปทําไมเหมือนอะไรเหมือนคนไข้ที่ไปหาหมอกินเขาหมอแบบเป็นยาครบชุดใช่ไหมพอกินหายป่วยระดับหนึ่งเลยเลิกกินยาเลยเขาเนี่ยจะปดื้อยาแล้วเขาเนี่ยขอเสียอง ก, ก็กลายจะเป็นดื้อยาอีกชั้นใดผู้ที่เจริญสิ่งเหล่านี้ก็ลักษณะนั้นพอเจริญไปได้ระดับหนึ่งมีความสุขมี ความสงบก็นึกว่าได้ดิบได้ดีก็เลยไปทําอย่างอื่นที่เป็นกินอาหารแสลงตลอดแล้วค่ะเนี่ยก็จะหันไปกลับบริโภคการมมาคุณต่อกลับไปหมกมุ่นในวัตถุ ก, การมก็กินอาหารแสลงเนี่ยนะก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ได้นั่นนะก็ก็จะบอกว่าเออข้อปฏิบัติในพระาศาสนานี้ไม่ดีจริงมากอย่างนั้นนะนี่มันดับกิเลสไม่ได้นี่ตัวเองก็ทําถึงที่สุดแล้วเนี่ยกิเลสก็ยังเกิดอีกกลายเป็นคนที่เข้าใจผิดมันจะต้องระวังให้ดีว่า ผู้ที่จะตรัสรู้จริงนั้นอริยมรรตต้องประชุมทั้งแปดองค์ผู้ชงก็ต้ององค์เจ็ดนนะนะอินทรีย์ต้องมีองค์ห้าทละห้าอ่นะแล้วคุณธรรมคือสติประจวนที่รายละเอียดแจมว่าสติต้องเป็นสติ ส, สติประธานอ่นะวิริยะต้องเป็นสัมมประธานการปฏิบัติต้องเนื่องด้วยอธิบดีฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าระดับโลกิยะเขาเรียกว่าธิบดีถ้าระดับโลกุตระเขาเรียกว่าอิทิบาทเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ต่อไปอินทรีย์พละโพชงและองคมักเนี่ยก็ต้องมาประชุมเพราะผู้ที่จจเจริญไประดับหนึ่งจะรู้ว่าอะไรมากอะไรน้อยอะไรน้อยอะไรมากแล้วจะปรับความสมดุลให้เป็นยังไงเพราะระดับสูงเนี่ยไม่ได้เน้นปรับภายนอกแล้วปรับสภาพจิตของตัวเองตลอดเวลาเต่นตัวในการปรับสภาพจิตปรับคุณภาพจิต ปรับสุขภาพจิตจนเหมาะสมไม่ใช่ปรับแต่นี้อย่างเดียวปรับปัญญาด้วยปรับปีติปรับปัสสัตท์เทพปรับความสุขปรับ อ, อธิมโมก ค, คือศรัทธาปกะหะคือความเพียรอุปทานคือสตินะและ้วก็อุเบกหาก็คือกลุ่มสมาธิเป็นต้นเนี่ยนะแต่จริงๆก็เป็นชื่อของวิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาพั้นอบรมคุณธรรมปรับตัวจนเหมาะจนสมจนเข้ากันกลมกลืนกันจนมีคุณภาพ ถึงขนาดว่าป้องกันสกายะทิถิวิจิกิจฉาไม่ให้เกิดอีกต่อไปะอธิบายกับเภสัชคนหนึ่งบอกมันเป็นวัคซีนเ่ราะงั้นเขาเข้าใจดีที่ป้องกันได้แน่นอนตลอดไปนะอย่างถ้าองค์มระชุมกันพร้อมอะไรพร้อมมันก็เป็นวัคซีนที่พิเศษก็ไม่ติดเชื้ออีกต่อไปแล้วเชื้อคือส ก, กายะทิถิวิจิกิจฉาสีและพัตต์ปรามานไม่เข้าแทรกอีกต่อไปถ้าครบชุดเนี่ยนะแล้วถ้าผู้ใดรับประทาน พระพุทธเจ้าบอกว่าองค์มรรคเนี่ยนะบอกว่ายาภายนอกยาถ่ายยาอาเจียนยาสํารอกภายนอกใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างแต่ยาคือมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดของพระพุทธเจ้าดีจริงไม่มีโทษสํารอกกิเลสได้จริงแล้วรักษากิเลสได้จริงด้วยเนี่ยนะก็มองว่าผู้นี้เป็นยาแต่เป็นธรรมะโอสถเนี่ยนะเป็นกุศลธรรมที่เป็นโอสถโอสถคือกุศลธรรมรักษาโรคจิตใช่้ามโรคทางใจอ่ะรักษาโรคใจอ่ะ โรคใจคืออะไรบ้างอาสวะโอคะโยคะคันธานิวรณะอนุสัยสังโยชน์กิเลสบาปอากุศลกาย я, ทุจริเรตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยนะรักษาโรคมิจฉาทิฏฐิโรคมิจฉาสังกัปปาโรคมิจฉามะปูรักษาสรารพัดโรคเน่นะรักษาโรคที่มันจะพาตกไปสู่อบายทุกติวิณิบาศนะรกป้องกันอบายโอ้ดีจริงๆยาขนาดเนี้นะแต่ที่สำคัญมันมันต้องค้นหาจากที่ไหนเนี่ยหาที่ใจของเรานะหาที่ใจของเราอะ่ะ จะต้องทํำยังไงอ่ะคือคือคนที่เจริญธรรมะระดับสูงเนี่ยเราจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเขาจึงมีความมั่นคงเพราะเขาสร้างความมั่นคงให้แก่จิตใจเป็นอย่างดีเขาบอกว่าฌานจิตทั้งหลายก็มห ah ักะตาเเทียกว่ามีความมั่นคงแต่ระดับโลกุตระมั่นคงยิ่งกว่าจนถึงขนาดรี่เขาไม่เปลี่ยนใจไม่มีอะไรทําให้เปลี่ยนใจสำมามัจกับมิจฉามัจมันจะคล้ายๆกันนะว่ามิจฉามัจมันก็ไม่เปลี่ยนใจเหมือนกัน พระพุทธเจ้ากี่องค์เนี่ยมาสอนให้ยากเลยว่างั้นพวกสัมมาทิฏฐิบอกมิจฉาทิฏฐิมาเป็นล้านก็ไม่เปลี่ยนใจพวกมิจฉาทิฏฐิบอกท่าระยะเต้นกันมาเถอะไม่สนใจเพราะมันก็ดิ่งดิทั้งคู่เหมือนกันนะาเราจะดิ่งฝ่ายไหนฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกมันก็ต้องแยกแยะให้ดีว่าความเห็นที่สําคัญที่สุดสัมมาทิฏฐินี้สําคัญที่สุดว่าเรามีความเห็นปฏิบัติตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าปฏิบัติไหม ไปไหว้พระเจดีย์าบางแห่งเนี่ยนะบางทีถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะฐานเจดีย์แต่ละองค์เนี่ยถ้าเราดูตั้งแต่พื้นจนข้างล่างไปถึงข้างบนเนี่ยนะถ้ามองเอาวิสุทธิเจ็ดมาจับมันก็จะเป็นไปตามวิสุทธิเจ็ดมันก็จะเป็นลักษณะโลกุตระธรรมลักษณะเป็นเครื่องหมายให้เห็นการปฏิบัติอยู่ในองค์พระเจดีย์อยู่แล้วะนะตัวตัวพระเจดีย์ทั่วไปเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุใช่ไหมแต่การออกแบบสร้างเจดีย์ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการพิจารณาพระธรรม อนะวา่าเออเนี่ยเช่นฐานควรจะเป็นอะไรดีให้มันเป็นกี่เหลี่ยมดีมันมีความหมายอยู่ในนั้นทั้งหมดอ่ะนะคนที่สร้างแรกๆให้เป็นคนที่เข้าใจธรรมะดีอะนะที่ที่ออกแบบในการสร้างเนี่ยนะคิดดูเถอะถ้ามันมีหกเหลี่ยมมันควรจะเป็นอะไรดีมันมีสี่เหลี่ยมมันควรจะเป็นอะไรถ้าแปเหลี่ยมควรจะเป็นอะไรเป็นต้นเนี่ยเขาจะมีความหมายในนั้นทั้งหมดแม้กระทั่งพวกดอกไม้อะไรเขาก็มีความหมายถ้าสายศิละปะก็จะรู้กันะนะ ชั้นใดผู้ที่ถ้าเข้าใจธรรมะระดับหนึ่งเลยนะมองเห็นพระเจดีย์ปั๊บมองเห็นโพธิปัจจะธรรมเลยมองเห็นวิสุทธิเจ็ดมองเห็นการปฏิบัติเห็นพระพุทธคุณคืออรหันตคุณของพระพุทธเจ้าด้วยมองเห็นคําสอนที่อยู่ที่รอบองค์พระเจดีย์ฐานแห่งพระเจดีย์ด้วยมองเห็นที่ตั้งแห่งพระเจดีย์เป็นศีลได้ทันทีนี่ถ้าพื้นไม่ดีเป็นยังไงเจดีย์เอียงเลยเคยเห็นเจดีย์เอียงไหมดูที่อยุธยาจะเห็นอะไรท่านก็จะเห็นนั่นแหละ เราก็จะเห็นว่าถ้าถานไม่ดีเอียงฉันใดศีลถ้าไม่ดีก็ฉันนั้นก็จะเห็นการปฏิบัติเห็นการปฏิบัติเลยจะเห็นว่าเห็นเลยว่าถ้าเราจะปฏิบัติเราก็ปฏิบัติไปตามนี่แหละให้เรามองเห็นอะไรจนเห็นโพธิปักจะธรรมได้หมดเลยเมื่อนั้นจะไม่เผลอไม่หลงไม่ลืมเป็นต้นเนี่ยเมื่อไม่เผลอไม่หลงไม่ลืมสติก็ตั้งมั่นในพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณไม่เผลอเมื่อไม่เผลอก็ในที่สุดก็ ทำที่สุดแห่งทุกได้เนี่ยนะเมื่อทำที่สุดแห่งทุกได้ก็พ้นทุก์อย่างแน่นอนแต่ถ้ามันยังไม่เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยทาไมมันไม่เป็นอย่างนั้นทําไมมันซึมซึซื่อๆอยู่นี่แหละทาไงดีเขามาบอกว่ายังไงก็แนะนําให้ตั้งอัตตะสัมมาปณิทิเธอเนี่ยนะให้มีเต้าไม้ให้มีตั้งเธอเนี่ยนะเขาพระพุทธเจ้าท่านตั้งมาตั้งสี่อสงไขยแสนกัปของเรามาตั้งครัง้งสองครั้งบอกไม่ได้ผลเน่่ยนะ แล้วก็ตั้งกันนานๆทั้งนั้นแหละแต่ทีนี้สําคัญก็คือความเข้าใจให้มันถูกต้องก่อนนะพยายามทําความเข้าใจปรับทัศนคติเอาว่าความเข้าใจเท่าไหร่เป็นการปฏิบัติเท่านั้นเข้าใจถูกเท่าไหร่ก็ปฏิบัติถูกเท่านั้นเข้าใจไม่ถูกเท่าไหร่ก็ปฏิบัติผิดเท่านั้นจะต้องเป็นคนที่ปรับความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะระวังอยู่ตลอดเวลานี่ถูกไหมเป็นไปตามคําสอนไหมเป็นคนที่ขยันเช็คมากขยันตรวจสอบมาก นะขยันตรวจสอบเ็าเรียกว่าเป็นงานวิจัยแต่เป็นวิจัยความคิดนะวิจัยตัวความคิดนั้นวิจัยว่าอะไรควรเจริญแล้วไม่ใช่วิจัยอันเดียวนะต้องวิจัยทุกที่ควร กำหนดรู้วิจัยสมุทยที่ควรละวิจัยนีโรคที่ควรทําให้แจ้งวิจัยองค์มรรคที่ทําให้เจริญเขาเรียกว่าธรรมวิจยสัมโพชงนั่นคือสัมมาทิฐิเนี่ยนะนั่นคือสัมมาทิฏฐิเพะนธ์แปลว่าเห็นตรงเนี่ยเป็นเห็นโดยรอบเห็นโดยทุกแง่ทุกมุมแล้วก็เห็นถูกต้องจนมีความมั่นใจอย่างสูงสุดเนี่ยนะจนมีความมั่นใจอย่างสูงสุดเพราะมั่นด้วยปัญญารากคือปัญญาเนี่ยนะ ต้นไม้ที่มันมั่นคงเพราะมีรากมั่นคงฉันใดใจของผู้ใดมั่นคงก็เพราะมีรากคือปัญญามั่นคงฉันนั้นถ้ามองจิตเหมือนต้นไม้มองรากทั้งหลายคือโลภะโทสะโมหะฝ่ายอกุศลก็เป็นรากฝ่ายกุศลกุศลจิตทั้งหลายก็มีอะโลภะอโทสะอโมหะเป็นรากถ้าเราอยากให้ใจมั่นคงขนาดไหนเราก็สร้างรากคืออโลภะอโทสะอะโมหะให้มั่นคงขนาดนั้นถ้ามันไม่มั่นคงก็ต้อง อัดฉีดแบนั้นเถอะปัจจัยภายนอกทั้งปัจจัยภายนอกทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็คือฟังให้เพียงพอปัจจัยภายในก็คือโยนิโสมนัสิการทั้งฟังทั้งโยนิโสมนัสิการก็เอาตามมงคลสามสิบแปดนั่นแหละถ้าเจริญตามนั้นจริงก็ถึงจุดหมายปลายทางทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนีย่ยยานเลิกในระหว่างถ้าเลิกในระหว่างก็คือก็ ก, ก็ไม่ปลอดภัยนะก็ไม่ปลอดภยัยเพรา ะ, ะถ้าข้ามยังไม่บรรลุโลกุตตรธรรมก็ ขอให้เราอย่าพึ่งท้อแท้แล้วก็ท้อถอยเพราะถ้าท้อแท้ในทางตรงก็แปลว่ายินดีในทางโคตรเพราะไม่มีใครสามารถอยู่นิ่งๆหยุดเฉยๆได้เนี่ยนะถ้าไม่ถูกก็ผิดอันมีอยู่2 อ, อย่างตอนนั้นแหละถ้าไม่กุศลก็อกุศลถ้าไม่บุญก็บาปถ้าไม่ดีก็ชั่วถ้าปฏิบัติทางแห่งความสุขก็ไม่ก็ปฏิบัติทางแห่ง ความทุกข์เนี่ยนะก็ทุกคนก็ต้องดูว่าเราดําเนินถูกต้องไหมถ้าเราดําเนินถูกต้องเราจะอ้อนวอนหรือไม่อ้อนวอนก็ทําที่สุดแห่งทุกได้ถ้าเราปฏิบัติผิดจะขอร้องจะอ้อนวอนจะขอความมั่นใจจากผู้ใดมันก็คือการปฏิบัติผิดเนี่ยนะก็ให้ให้ให้สามัญจะสานึกถ้าเราปฏิบัติถูกผลประโยชน์อันนี้เป็นของเรานะผลประโยชน์เหล่านี้เป็นของเรานะถ้าคิดแบบนี้บ่อยๆเป็นอะไร